การนนะฟังธรรมก็คือการฟางเรื่องของตัวเรานี่เรื่องที่เกิดกับตัวเราคือกายกับใจเรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกทัตตะคติเรื่องกายเรื่องใจตามหลักกรรมฐาน ตัด ม, มีสติไปในกายตั้งไว้ก่อนเพื่อการเตรียมพร้อมที่จะได้เปลี่ยนทัศนคติที่เกิดกับกายกับใจตั้งไว้ก่อนอาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวเร่านั้น อะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ให้เปลี่ยนเป็นผมรู้จักตัวนี่ว่าฝึกหัดตัวเองทุกคนต้องฝึกหัดอย่างนี้การฝึกหัดกายใจให้มีสติเป็นที่ตั้งไม่มีอะไรอ้างอิง โดยเหตุผลความคิดหรือเพศวัยริการเวลาไม่มีอากแม้จะเจ็บไข้ไดยป่วยหูหนวกตาบอดก็สามารฝึกได้เพราะกายใจมีให้เราฝึกอยู่ แม้แต่เราเก็บเยนตายก็ยังฝึกได้ให้มีความรู้สึกตัวเป็นที่ตั้งเมื่อเห็นความเก็บก็จะรู้สึกตัวเมื่อเกิดเก็บขึ้นมาอย่าให้ความเก็บเป็นใหญ่ให้แทรกความรู้สึกตัวลงไปการฝึกต้องฝึกอย่างนี้ยืดเรา จงไม่เจ็บไม่สึกไม่ทุกข์ก็ยิ่งดีหรือเคยสึเยกเคยทุกข์เคยมีปัญหาก็ยิ่งดีจะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฟ้ากระตายมากประสบการณ์มากบทเรียนจะมีมากเราทุกคนก็มักจะมี สิ่งที่การใช้กายใช้ใจผิดพลาดมาหลายอย่างใช่ในทุกรูปแบบตั้งความสุขความทุกข์ความลกความจงความพอใจไม่พอใจความโกรธโลกหลงเกลียตั้หาหลัคาอุปทานยึดมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้ขอต้องแชกหลงปล่อยให้ได้โดย เอาสติตั้งไว้ก่อนที่กายที่จิตใจเพื่อการเตรียมพร้อมอยู่แล้วเหมือนน ก, กลบที่มีอาวุธที่มีสมอรลภูมิที่ดีเพื่อปราบฆ่าศึกสัตรูที่จะมาลุกลานกระเทศชาติ นี่เราก็มีวิชากรรมฐานแบบวิชาที่เทียมพร้อมมีสติเป็นากายเป็นประจำกู้แขงเข้าอย่านแขนออกสามารถทําได้หยับยาบเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ไม่การกระตุ้น เกิดความรู้ได้ง่ายระเอาลมหายใจอาจจะไม่เพียงพออนเดือดมาจะแรงกว่าความการเอาลมหายใจมาเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวบางที่เราก็หายใจมามารู้สึกตัวว่าเราหายใจ แม้ความกดโลภหลงเกิดขึ้นก็ไม่มีความรู้สึกตัวว่าหายใจรักษาไปรับใช้ความโกดโลภหลงความฉุกความทุกข์ความพอใจไม่พอใจเราจึงมาฝึกหัดให้เป็นดุ้นเป็นก้อนวันเราจับเครื่องไม้เครื่องมือให้ชำนิชำาน เอากายมาเป็นเครื่องมือให้เกิดความรู้สึกตัวความคิดจนเกิดขึ้นอยากขีดออกมาเป็นความรู้สึกตัวทันทีทันใดเมื่อมันเกิดจริงที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวให้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวทุกครั้งที่มันเกิดตั้องอื่นขึ้นมาให้เปลี่ยน จริงะเียว่าปฏิบัติการจึิงะเลยว่าฝึกตนสอนตนแจ้ไขตนเตือนตนมีสติเราพี่เจ้าก็สอนอย่างนี้ีิสู่ทัต้องไหยเธอจงเตือนตนด้วยตนเองแต่จงแจ้ไขตนด้วยตนเองเธอจงมีสติทุกเมื่อ นี่เรเลยเรียกว่าอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากวระหันแบบนี้เราก็มาหาดกันหนึ่งวันเจดวันเวันหนึ่งเดือนหนึ่งปี1เดือน7็ปีพิสูจน์ดูเรื่องนี้อาจจะไม่นานถึงปานนั่นก็ได้แล้วก็มีเรื่องเก่าๆที่ทำให้เราได้ประสบพบเห็นอยู่เสมอ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 ไม่มีคำถามจะใครใครมีหแต่ขันมิจะตอบออกเองซึ่งความทุกข์ความรู้สึกตัวความโกรธความรู้สึกตัวความหลงคือความรู้สึกตัวสัมผัสดูอย่างนี้เรียกว่าภาว น, นาไปต่อเอาไปพบเห็นเอาไม่ใช่แบบคิดเห็น นี่เป็นการพบเห็นการคิดเห็นไม่ใช่ของจริงเป็นกินต่ยานไม่ใช่เป็นปัญญาญาณลู่เหมือนกันแต่มันเป็นจินต่ยานการคิดเห็นกับการพบเห็นมันต่างกันอยู่วิธีปฏิบัติฝึกสติมันจะเกิดการพบเห็น เมื่อพบเห็นแล้วแล้วก็ประสบการณ์วดเรียนต่างกันมากกับการคิดเห็นนี่เดี๋ยวว่าบทตนสอนตนอาศาะเอาไเจ้ า, า, าว่ากรรมฐานภาวนา เราอาจจะได้ยินแต่ว่าเคยได้สัมผัสว่ากรรมอภิษฐานก็คือที่ตั้งของการก ร, ระทำภาวนาก็ตั้งไววขยันตั้งไว้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆขยันรู้สิบสี่จังหวะรู้ทุกเวลาทีมันก็เพียงพอรู้ทุกเวลาที วางลูกทุกอย่างที่มีอยู่ในกายอาจจะเกิดความชำนานได้ไวคืนหนึ่งก็อาจจะชำนาญก็ได้เช่นพระอาหารหันต์วางลูกแต่ก่อนเป็นปุถุชนตั้งแต่ย่อมค่าเป็นปุถุชนพอเฝืกปเฝือกไปก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าใส่ใจ ให้ตามหลักของกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาเป็นไปเองว่ามีเบื่องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดกรรมฐานเป็นเรื่องต้นภาวนาเป็นท่ามกลางวิปัสสนาเป็นที่สุดนั่นเนขั้นตอนเกิดทุกสิ่งทุกอย่าเกิดจากกังกระทำอย่างนี้ มันก็เกิดผลอย่างนี้นชาวนาชาวไร่ไมีเนื้อนาเป็นทำนาต้องมีเนื้อนาที่นาที่นาก็ต้องมีน้ำมีน้ำก็ต้องมีข้าวปลูกข้าวพันธุ์ปลูกลงไปที่นาที่เตรียมพรม้อม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 มีน้ำใครเห็นที่เน่านามีต้นข้าวปลูกไว้น้ำมากมือเขาท่วมแต่น้ำแห้งยอกก็เกิดต้นข้าวก็ยังไม่งามชาวนามนเม่มีใครบอกคนที่ทำนาลู่เองมีการกระทำเองไม่ไม่ปล่อยทิ้งไม่ทอดทิ้ง ฉันใดก็ดีกรรมฐานก็เหมือนกันกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาเหมือนคนทำหน้าเรารสติเป็นเจ้าของเจ้าของกายเจ้าของใจกายใจใผุลงไปในกายในกายใจใผูกสติลงไปในกายในใจนั่น เขได้ปูกลงไปแล้วจริงๆรงคลื่อนเกิดข้านขี้เกียจก็หยุดกขยันก็ทำํำมาใช่นักปฏิบัติเหมือนคนทนํานาขี้เกียจก็หยุดอ้างว่าร้อนนักอ้างว่าหนาวนักอ้างว่าหิวนักอ้างว่าเหนื่อยนักอ้างว่ายังเช่าอยู่ ชาาที่เห็นนาหน้าท่วมเห็นนาน้ำล้งไม่มีอันอ้นอย่างนี้จะอนั้นอย่างนี้ก็เสียหายจะพืชข้าวที่เราปลูกไว้ทุกคนต้องรีบววิ่งกว็วิ่งเคยทำนาเหมือนกันนอนอยู่บ้านเห็นทุกน า, นาหน้าท่วมโดนน้ำ น้ำผาดที่ไหนเพราะการสัมผัสต้องรู้เห็นทุกพี่ในที่หนาของตนรู้รอบรู้รอบรอบขอนฝึกกรรมฐานก็รู้รอบรอบรู้รอบรอ บ, รรบปลายใจของตนอยู่เสมอตรงไหนที่ที่ประมาท ที่เคยผิดยิ่งใส่ใจความผิดความถูกเกิดขึ้นให้เห็นแล่ความผิดเป็นความถูกต้องแล้วก็เป็นการงานชอบขึ้นมาความฐานก็เหมือนกันเกิดความขยอนเกิดความชำนาญ เป็นศาสตร์เป็นศิลได้ว่าประสบการณ์บทเรียนที่ดีง่ายขึ้นฝึกใหม่ก็อาจจะยากถ้าฝึกไปฝึกไปงานมันจะบอกงานมันบอกก็เกิดความขยันเกิดความฉนานเกิดการทำอะไรไ ด, ได้ง่าย เช่นเวลาวันหลงแต่ก่อนอาจจะไม่อยากให้หลงไม่พอใจในความหลงเคื่อนความทุกข์สันไม่อยากให้มันเกิดจากนั้นอาจจะเทียดคิดมากกว่ า, าจะาเทียดได้กวดหัวง่วงนอนไปห้ามความคิดสู้กับความคิดฝึกให้ลู้เคลื่อนไหวก็ช่วยพวงง่วงไม่ได้ ก็มองตัวเองว่าทำไม่ได้ทำยากที่เรกมักจะเป็นอย่างนั้นมักอ้างเอายากเอาง่ายเอาผิดเอาถูกเอานโกเย์ตัวยเองเอ้างอยา่เอยเอากเอาเอาเอาากเอายากเอ้ากอายากอยากเอาเอ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 เหมือนไปป่ายางรถมันรั่วเขาก็หาวิธีที่ต้องเห็นรูรัลล่วของอยางรถพอเขาเห็นแล้วเขาก็ยิ่งพอใจมากจะได้แก้ตรงที่มันผิดถึงที่เขาทำก็ใช่ได้เขาเป็นนายช่างชานาญชานาญจนฟังเสียงรถก็รั่วอะไรเป็นอะไร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 อุปกรที่หนึ่งที่สองมาช่วยยังทำได้แล้วก็ทำได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกิดกับกายกับใจนี่ไม่มีบุปกลที่หนึ่งที่สองวัตถุหนึ่งสองมาให้เราใช้เราใช้ในตัวเองกิเดสวันทห้าตนหาหนรอยแปด นาทีตัะหนสะมานาทีแม่น้มเสมอด้วยตระหนัไม่มีมันใหญ่มากครับใช่พอเราเห็นแล้วมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นไม่ยากขนาดนั้นจะจะยอมรับจนถือว่าเราเป็นปุถุชนยิเลสมากทำไม่ได้ถามจะทาอะไรทายากไหม ถามอยู่อย่างนี้พอทำลงไปมันยากหน่อยก็ทาไม่ได้ทำไม่ได้คนอย่างนี้เีวยว่าทำอะไรไม่สำเร็จถ้าถามยากก็ไม่อยากจะทำถ้าง่ายก็จะกระทำไม่ใช่นักทำงานนักทำงานจริ ง, รงสมัครลงไปเหมือนคน ช่วยงานช่กันเป็นจิตเป็นจิตอ า, าสาสัยเห็นพระหนมประยู่ธ่สวนมกุกใช้ยาอาจะอาจารย์พุทธาสเราอาจจะเป็นแม่ของงานบางอย่างพระที่อยู่สวนมกมาถอะอยากทางาน เนียนไหให้ทำเตรียมพร้อม้าอาบน้ำมัดเอวมาเพื่อจะทำงานมือว่างๆไม่มีอะไรเนียนไหให้ทำไหมล้วบอกว่ามีก็าพาไปทำล้วก็ตั้งใจทำโดยความสมัคร เราบ้างก็ทำได้สนุกไปเลยเ่อยไม่อ้างหนักไม่อ้างเอาจนได้นี่เรียกว่าสิ่งแวดร้อมในตัวเราวันดีอันนี้มาทำกรรมฐานนี่เป็นงานที่เกิดกับเราแท้ๆงานชอบงานถูกต้อง แต่แค่ความไม่ถูกต้องให้ขับ้ายขับใจมันก็เป็นประโยชน์ถ้าเราอาสาัยกายสายใจเป็นที่ตั้งความรู้จักตัวมันไม่ใช่จะทำอยู่เช่นนี้มันก็งอกงามขึ้นมาให้มีอาณาสงเกิดขึ้นชาวนาปลูกข้าวในที่ดาของตนก็ได้เม็ดข้าวมาจินได้ประโยชน์ ไม่ขาดไม่ยากไม่จนคนขยันหาเงินหาทรัพย์ได้ไม่ยากจ น, ค น, น, น, กจนคนเกียดข้านก็นย่ำนอนเป็นทุกข์เพราะเรายงเป็นอันอื่นมีที่นาต้องอาศัยน้ำฝนอาศัยตัดเล หลังสื้อผ้าหน้าซื้อดินจึงได้แม็ดข้าโอ้ก็ยังทำํำนี้เอามาเปลืกตัวเราแท้ๆกายก็อยู่นี่เอามายกมือคือรู้จักตัวพวกมือรู้จักตัวมันก็ไม่ยากปานนั้นนั่งอยู่ก็ทําได้นอนอยู่ก็ทําได้เดินอยู่ก็ทําได้ยืนอยู่ก็ทําได้ แล้วก็อยู่ในร่มหนเอามีที่นั่งมีที่นอนแล้วมีอะไรที่สะดวกงดดกของเราที่ได้รับมาก็สะดวกเรื่องนี้เพื่อการนี้ทรรมวเนไย่คำสอนสารวัตถุ เพื่อสะดวกใท่ร้อยช้ศาสนาพิธีเพื่อสะดวกให้เราได้ฟื่องฟัดทำวัดถวดายมนต์ศาสนบุคคลก็มีเพื่อนมีเมตรนี่ตัวบุคคลมีคําพูดที่รู้ซสือส่อภาษาโลจับมีอยู่าศาสนาบุคคลมีพิกจุมีสมเหรนมี วาจกวาเชกาเดี๋ยวนี้พวกเราก็นั่งอยู่นี่ไม่ต่ำกว่า1้อยคนนี่คือสาวชนะบุคลเป็นคำพูดทุกคนได้ยินบอกงานบอกการว่าให้มีสติภปในกายเอาคำสอนพี่เจ้าได้ตัดไว้มาสอนจะผ่านเช่นนี้ไม่ขาดสายยังมีคนบอกคนสอนมาตลอด 2อันหกอยปีมาแล้วสามารถพิชูดได้ไม่เป็นเป็นอากาศฤิ์การทไม่มีการเวลาปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเกี่ตัเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติ ลู่ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลู้ควรเห็นตามทุกคนเจ้ผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติสัมผัสลู้เองเห็นเองก็เป็นอางนี้จึงยืนหยัดจยบนควรมเกียงอยู่ย่างนี้คำสอนทนต่อการพิสูจน การตัดสุดุของพเจ้าเป็นสาขนของโลกไปแล้วทุกคนยอมรับกรมเท่านั้นที่เป็นจริงจาแนกสัตว์สัตว์ตโลกเป็นไป ต, ตามกรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็จะได้ชัว่วหากทั้งทุกข์ก็เกิดความทุกข์เราใช่กาใช้ใจไม่เป็นต้องมาหาันกันบ้าง ไปให้กายทำอะไรที่ไม่ถูกต้องติดเล่าติดบุดีติดเจองเทิดติ ด, ตดการไปนคนดูร้ายมือเอาไปทำชั่ววาจาไปพูดชั่วจิตไปคิดชั่วก็ไม่ใคหัดเราก็เป็นทุกข์เป็นโทษตั ว, ต, วตัวเองและคนอื่นถ้าเราหัดล้วก็เอากายมาทำความดีเอาใจมาเชิดดี อาวาจาพูดดีบอความดีก็เกิดขึ้นนะมีประโยชน์ที่ผิดที่ถูกขอผิดบอกถูกช่วยการให้คนที่มีความผิดในครั้งนความถูกปลอให้เขามีสติบ้างมีพ่อมีแม่มีครูอาจารย์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมวะสสุงในโลกนี้ สิ่งที่เราทุกข์คููของเราไม่ทุกข์สิ่งที่เราโกรธครูของเราไม่โกรธแล้วก็มีจริงจริงชีวิตของเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตมีความทุกข์เป็นเบืนะ้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วซ้อมอย่างรจะยอมจำนนในความทุกข์ จะต้องดีใจก็หออัวล้อเสียใจก็ล้อให้อยู่แค่นี้เลยเหนือกว่านี้ไปได้หรือให้ความดีใจพอเป็นสุขให้ความเสียใจพเป็นทุกข์มันก็เกิดอยู่ที่ใจนั่นเองวันนี้ให้รู้สึกตัวจาะเจ้าก็บอกตั้งแต่เบื้องต้น มีสติปัญกายเป็นประจอมมีความเพียนเครื่องเผาเฉลดมีสัมผัญญ่ถอนของพอใจและความไม่พอใจออกมาลู่สึกตัวอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้อยู่เหนือโลกก็เหนืออย่างนี้ฝึกตนก็ฝึกอย่างนี้ ถอนความพอใจถอนความไม่พอใจไม่ใช่ตัวเราถอนออกมารู้จักตัวซะเพื่อจะอยู่เหนือโลกเกิดขอ้ขกับกายก็ถอนออกมาเกิดขึ้ขกับใจก็ถอนออกมามารูา้จักตัวนี่ให้ฝึกอย่างนี้จะได้เหนือการเกิดการแก่การนเจ็บก่อนตายก็ไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายไปทางนี้ ชีิตเรามาใช่ไปห้อยไปเขีย น, นกับความคิดให้ความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ไม่ถูกต้องลบใช้ความคิดเป็นธาตความคิดแล้วก็คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เคยหลักกับายเป็นคนเฉียดชังได้ความคิดนี่ย ความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอวิชชาให้ความคิดเป็นรับใช่อวิชชาความไม่รู้คิดเปล่าก็ยังคิดได้คิดถึงมาเป็นทุกก็ยังคิดอยู่คึดเกินมานมนไม่หลับก็ยังคิดอยู่คิดเกินมาน้ำตาไหลก็ยังคิดอยู่ ไม่หดตัวเองหยุดความคิดก็ไม่เป็นีนมีไ ม, ไม่มีสติตอนที่มีสติอยู่ก็ไม่ใช่การรับใช่ความจุขคงามทุกเกิดจากความคิดอยู่เช น, นั้นความคิดเป็นตะวางของเกียรติส่วนสิ่งที่ยกความเกตความคิดเนี่ย ใช้ไม่เป็นก็เปิดเพื่อนได้เกี่ยวธรรมชาติแต่ก่อนนี่จิตบริสุทธิ์ใชไม่เป็นก็เปิดเพื่อนเอาเพื่อเจ้าว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายจิตของเรานี่ประพัดสอนผ่องใสเหมือนเดิม แต่กบใช้แบบเป็นเปิดเพื่อนจอนมาเปิดเพื่อนเกลดทำให้เศร้าหมองเราไม่รู้เอาความเศร้าหมองมาเป็นเกลียดเป็นควาโกรธว่าเราก็โกรธตามๆความโกรธ เ, เอาความปวดมันไปตัวเป็นตนมีมือมีปากแสดงออก โสดร้อยกอดจับสตาวุฒิเข็นฆ่าก่อนแล้วทำไรเราไม่ยอมถ้าโกรธขึ้นมาไม่ยอมต้องทำตามความโกรธให้ได้แล้วก็เดือดร้อนเราจึงนะร่วมกันเถอะนับหนึ่งจากตัวเรานี้มาปึกเรื่องนี้ ความดือดร้อนจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ต่อโลกนี้มีของทัพมีอาวุธมีตวบทกฎหมายมันก็ไม่อยู่ต้องมากัดต้นสอนตนอะไ้มีสติปายในกายสอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาทุกคนตำแหนนี้ และก็ไม่ต้องมีของทัพไม่มีอาวุธไม่มีคุก ม, มีตารางทุกคนแค่ขายตัวเองอยู่ดูแลตัวเองดูต้นสอนตอนอยู่ไม่ปล่อยให้ความชั่วเกิดพฤติการที่ใจพวกเราจึงมีอาชีพเรื่องนี้ศึกาแล้วทำเป็นคือเรื่องชีวิตแบบนี้ อาใจทำไ้ไนปฏิบัติธรรมทำไว้ไหนก็มีผู้เห็นด้วยที่มีศาสนามีพุทธบริษัทหุ้นชวนร่วมกันสร้างวัดสร้างวาหัวโลหะหัดหลอนทำบุญใช้ทาน ล้าก็อยู่ได้พบก่อนได้ชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเขายังอยู่ได้ยังไม่ตายชีวิตของเราเนื่องด้วยคนอื่นนี่คือพุทธบริษัทแล้วก็เราก็ทำเรื่องนี้ในวัดวารามเป็นของทุกคนจดตินตนา กางใช้หมายสอนเป็นของทุกคนสดที่นังถไหวเฉยพระสงคสสงง์เพื่อชวนรวมขอพระสงฆ์จงรับเพื่อให้ใช่ส่วนรวมจงฆ่สังฆะเป็นส่วนรวมหนูคณะนีทําไว้นายมีเสียดีที่ใช้ได้ทุกคนทุกชีวิตประเทศไทย ศาสนาพูดแบบไทยๆวดาลามแบบไทยๆพระสงฆ์แบบไทยๆวัฒนธรรมแบทไทยๆแต่ไว่ไหนก็ประกาศว่าผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาเ่วว่าของเราของเราไม่ใช่ของกูมาแล้วให้อยู่เป็นสุขเป็นศุขแต่ไว่ไหน อากาศอยู่เช่นนี้ขึ้นป้ายบอกทางว่าจากใช้พรมเหมือนก็ได้มีแผนที่ต่อให้มาเสอวาดมาแล้วอยู่เป็นจุกจะบอกแต่ความไม่ดีให้หัดความดีจะได้พึ่งพาใจกันได้ นี่คือทำอาวินายรวกับเป็นหมู่เป็นค้านนะ